ในะดูพรรษาเป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการประกอบความภาคเปลี่ยนเพราะไม่มีการเข้าาออกๆของพระทั้งในวัดและนอกวัดอียุ่งอยู่ตลอดในพรรษาจะมีเรื่องเหล่านี้ไม่ค่อยมีการประกอบความเพียรจึงสะดวก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 ดูว่าเป็นอย่างนั้นในความรู้สึกของผู้สร้างผู้ทาไม่ว่าประชาชนญาติโยมและพระใ น, นในวัดมักเป็นเช่นนั้นจนกลายเป็นว่าศาสนาคือการสร้างสร้างวัตถุเหมือนกันกับโลกที่เขาสร้างกันศาสนาคือกุฏิที่รู้หลา สวยงามทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในวัดอันเป็นด้านวัตถุแล้วมีแต่ความรู้ละสวยงามทั้งนั้นศาสนาเลยกลายเป็นเรื่องอย่างนั้นขึ้นมาถ้าคนไม่เข้าใจเรื่องศาสนาเขาจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นศาสนาอย่างแท้จริงวัดใดไม่มีอย่างนั้นเขาถือว่าวัดนี้เหมือนกับไม่ใช่วัดพระขี้เกียจชีคร้านเพราะไม่สร้างศาสนา คือความยุ่งเหยิงวุ่นวายของศาสนานั่นแหละที่เขานับถือว่าเป็นขดีมงคลเพราะเขาไม่รู้ไม่เข้าใจความจริงของศาสนาแล้วมีแต่จิจตภาวนาเป็นสําคัญมากทีเดียวเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจเป็นหลักศาสนาอย่างแท้จริงในวงคําสอนของพระพุทธเจ้าที่มุ่งมั่นต่อสิ่ง น, นี้มากที่สุดยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด การสร้างก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆส่วนมากก็เป็นประชาชนยาโยนเขาทําให้ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนักนะแล้วไปดูที่ตามฐานของพระคันตคุดีของพระเจ้าในอินเดียที่เขาเล่าให้ฟังะเราก็เอามาคิดเหมือนกันใหญ่โตที่ไหนท่านธรรมะระหว่างมากที่อย่างนาวิสาขาจะสร้างสร้างวัดสร้างวิหารอะไรนี้ พระพุทธเจ้าก็ะสมมาบให้พระโมคันาเป็นผู้คอยดูแลตักเตือนเพราะพระโมคขนานั้นเป็นพระหรหันแล้วไม่มีอะไรจะเสียหายเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างส่วนพระทั้งหลายไม่ปรปากฏว่าได้เข้าไปเกี่ยวข้องเลยก็มีพระโมคคันาเท่านั้นคอยแนะนาช่างเขานอกกนั้นก็มีแต่ขี้เข้าป่าเข้าเขา ตามร่มไม้ในถ้าเนื้อผ า, าต่างๆเพื่อภาวนาอย่างเดียวนั่นแหละหลักศาสนาแท้เป็นน้นท่านก็กล่าวไว้ว่าทันธาธุระวิปัสสนาธุระมัน <c oughs> เป็นของคู่เคียงกันแต่หลักใหญ่ของศาสนาที่ท่านทรงมุ่งมั่นจริงๆก็คือกิตตภาวนาด้านนามธรรมาเป็นสำคัญมากยิ่งกว่าด้านวัตถุ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 มุ่งทางด้านคิตตะพรวนนาเป็นสาคัญมากเพราะฉะนั้นในอนุศาสตร์จึงไม่เว้นเลา บ, บวชแล้วสอนลูกขมลคือร่มไม้ชายา่ า, าเขาไปเป็นลาดับําดาบพอกันพูดแต่เรื่องอัดเรื่องธรรมเรื่องคิตตะารวนนา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 เพรเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสมันโดนได้ง่ายกระทบกระเทือนกันได้ง่ายไม่เหมือนเรื่องธรรมเรื่องธรรมแล้วอยู่เท่าไหร่ก็อยู่กันได้สบายเพราะมุ่งเหตุมุ่งผลมุ่งความถูกต้องดีงามเท่านั้นเป็นหลักใหญ่มีเราอยู่ด้วยกันนี่ก็ถึงจะมีมากสถานที่สงบสงัดในการบําเพ็ญเพียรก็เห็นว่าพอเหมาะสมที่จะประกอบความเพียรได้สะดวกสบายอยู่แล้วจึงควร เข้มวดกวดขันในเรื่องความเปลี่ยนของตนเดินจงตรมนั่งสมาธิภาวนาเป็นของสำคัญมากสำหรับพระกรมจัดเรื่องของชีเลตไม่ใช่ของดีถ้าไม่มีศาสนาเป็นเครื่อง ย, ยารักษาหรือเป็นเครื่องแก้ไขหรือต้านทานแล้ว คนทั้งโลกสัตว์ทั้งโลกจะเสียก็เรื่องของกิเลสนี้อย่างทิพหผปลปี้ไม่มีอย่างไม่มีปัญหาเลยแต่นี้ที่พอมีดีมีชั่วพอเป็นหาเลือกได้บ้างก็พอมีศาสนาแต่เพราะอย่างยิ่งคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นสำคัญมากอิตํำจัดมันได้อย่างไม่ต้องสงสัยหึงหมดไปจักจิตใจก็ยิงกิไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะอานาจแห่งธรรมนี้ การปฏิบัติกรรมจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อใจคือกิเลสนี้เราพึงทราบเสมอตามที่สอนไว้แล้วว่ากิเลสไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากที่สุดมีอำนาจมากมีความฉลาดแล้มผมไหวพริบตลบตะแหลงนี้ไม่มีอะไรเกินกิเลสเรียกว่าสัตว์โลกทั้งหลายไม่รู้เลยก็ว่าไหนอุบายวิธีการต่าง ที่ปกครองสัตว์โลกที่มันฉุดลากฉุดลากสัตว์โลกให้เป็นภายในแง่ต่างๆเราไม่มีทางทรามได้แล้วอย่าพูดแต่เรื่องของโลกทั่วๆไปเลยเราดูหัวใจเรากับกิเลสทั้งๆ ท, ท, ที่เราก็เข้าใจในตัวเองว่ามีธรรมเป็นเครื่องกาจัดมีธรรมเป็นเครื่องทดสอบมีธรรมเป็นคู่แข่งกัน มีมีทำเป็นเครื่องรอบกันกับกิเลสยูแล้วภาย ใ, ใจิตใจตามความรู้สึกของตนแม้เช่นนั้นเรายังไม่ทราบเวลาเผลอฟังสิเวลาเผลอนั่นแหละเป็นเวลาที่กิเลสต่อยเราทั้งทั้งที่ตั้งหน้าตั้งตาจะไม่เผลอแต่มันเผลอไปได้อย่างไรนี่ความที่เราไม่ทราบว่ามันเผลอไปได้อย่างไรนั่นแหละคือความแหลมคม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 ผมนั้นแน่ใจร้อยเปอร์เซนตว่าไม่สงสัยมีอยู่อย่างนี้แพ้อยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้แหลมคมใหม่กิเลสกานทั้งหลายทราบไหม่วันนี้ขอพูดอย่างเต็มหัวใจพอได้ปฏิบัติต่อกิเลสต่อสู้กิเลสมาเต็มหัวใจบางครั้งแทบพรจะตายจริงๆผมเคยเป็นมาแล้วหนักขนาดไหนแหลมคมขนาดไหนกิเลสที่ได้ใช้อุบายวิธีการทุ่มเทลงถึงชีวิตจิตใจก็มอบในบางครั้งจนจะไม่มีเหลือเลยอ้าว ถึงไหนถึงกันนั่นถึงขนาดนั้นแหละ น, นี้พอมียิบยับเหมือนฟ้าแลบสติปัญญาของเราแต่เมื่อฟาดเมื่อเวียงกันอยู่เสมอด้วยความมุ่งมั่นขันแข็งในหัวใจเราแล้วกิเลสมันจะเก่งขนาดไหนก็เถอะนั่นมันมีที่จะแพ้เราได้โดยไม่ต้องสงสัยไม่เช่นนั้นกิจจะหลุดพ้นจากกิเลสหรือ ทำจะปราบกิเลสให้ราบกลายเป็นจิตที่บือบริสุทธิ์ขึ้นมาได้ได้นกพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างนั่นก็คือพระองค์ปราบกิเลสให้เรียบราบภาย ใ, ใ จ, จิตใจหมดด้วยอุบายแห่งธรรมนั่นเองแล้วก็มาประกาศอุบายวิธีการต่างๆทางฝ่ายเหตุที่จะต่อสู้กิเลส ด, ด้วยวิธีใดพร้อมกับผลที่ได้รับในเมื่อกิเลสได้หมอบราบลงไปแล้ว ให้บรรดาสาวกทั้งหลายได้ยินได้ฟังตลอดถึงสัตว์ทั่วโลกดินแดนในพุทธบุิษัต์ของพระองค์ได้ยินได้ฟังและได้ประพฤติปฏิบัติตามเ้ื่อยมาจนกระทั่งถึงพวกเรานี้ล้วนแล้วแต่ทาเป็นธรรมชาติที่มีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจฉลาดแหลมคมเหนือกิียดทั้งนั้นเมื่อเรานำมาใช้ด้วยความสนใจจริงตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เป็นระยะระยะหรือเป็นขั้นเป็นตอน ให้พอเหมาะพอควรแก่การปราบกิเลสซึ่งมีขนาดหรือว่ามีน้ำหนักต่างกันนี่เราดูในหัวใจของเรานี่ว่าเป็นอย่างไรวันหนึ่งวันอ่ะมีความรู้ถึกตัวกับความเผลอเมื่อเทียบกันแล้วในวันหนึ่งของผู้ตั้งใจภาวนาในสงครามระหว่างกิเลสกับทําบนหัวใจนี้ อันไหนมีมีมากกว่ากันช่องแห่งความไม่เผลอกับช่องแห่งความเผลอเอาเอาตรง น, น, นี้นั่นเราพิรายดีนั่นแหะเราเผลอมากน้อยเพียงไรก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่ายีเลศนะ่ะได้เปรียบเรามากน้อยเพียงนั้นและมีคะแนนสูงกว่าเรามากน้อยเพียงนั้นนี่เป็นเครื่องวัดในหัวใจเราเอง สติธรรมเป็นเครื่องวัดในเบื้องตน้นต้องสติธรรมก่อนสติเป็นของสําคัญในการประกอบความเจ้เพียรถึงจะยังแก้ไม่ได้ก็าตามสติต้องวางเป็นรากเป็นฐานจริงๆเมื่อสติตั้งได้ตั้งขึ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เหี่ยวโยงกันอันขึ้นชื่อว่าทำมาทำแล้วจะตดำตามกันมาเราจะเห็นได้เวลาเราฝึกหัด ทั้งๆ ท, ที่ล้มลุกคุกครานให้มันต่ออยู่ตลอดเวลาช่องของความเผลอนั้นวันหนึ่งอย่างอย่างน้อยแปดสิบเปอร์เซ็นตช่องของความไม่เผลอนั้นมีประมาณยี่สิเปอร์เซ็นในความรู้สึกของเราที่ว่าได้ต่อสู้กันเต็มที่เต็มที่ในวันหนึ่งคืนนก็เรียกว่ายังล้มลุกคุกครานแต่การต่อพืชปฏิบัติการต่อสู้ด้วยความมุ่งมั่น ไม่ลดละถอยหลังสติก็ดีขึ้นความสงบปรากฏขึ้นมาเป็นผลเป็นเครื่องสนับสนุนให้มีความพอใจให้มีความเอิบอิมให้มีความผาสุกสบายภายในจิตใจขณะที่จิตได้รับความสงบตัวเพราะกิเลสอ่อนข้อ ล, ลงไปในขณะนั้นเนี้ยเป็นพลังอันหนึ่งของจิตที่จะให้มีแก่ความภาคเพียร เป็นระดับสูงลึอเข้มข้นขึ้นไปกว่านัน้นนี้เราพูดย่นๆนเข้ามาเลยว่าเมื่อความเพียนของเราไม่หยุดไม่ลดละนั่นแหละเราพอที่จะเทียบที่วัดกันได้ในช่องว่างให้กิเลสต่อยเอาต่อยเอากับช่องว่างที่เราต่อสู้กิเลสเรื่องความรู้สึกตัวเนี่ยเมื่อถึงระดับสูงขึ้นไปแล้วเราจะเห็นได้ชัดว่า ทำนี่มีความสเสมอขึ้นไปเรื่อยๆมีระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงไม่มีช่องว่างดังที่ท่านแสดงไว้ว่าสติปัญญาอัตโนโมัตินั่นแหละที่มีท่านเรียกว่าไม่มีช่องว่างแล้วคือเป็นเป็นเรื่องของสติเรื่องของปัญญาตลอดอิริยาบทเม้นแต่ลัดเท่านั้นนีเราจึงเทียบกันได้กับย้อนหลังในขณะที่เรากําลังตั้งแ ล, ล้วล้มลงลุกขึ้นล้มลงล้มลุกคู่ขาน เในเวลาที่เผอตัวนั้นเป็นอย่างนั้นกลับในเวลาที่ไม่เผอโดยอัตโนมัติเทาะกําลังเพียงพอมาจากขั้นลุ ล, ลุกคลุกขานเป็นเครื่องหนุนมาโดยดําดาจนถึงขั้นเป็นอัตโนมัติแล้วก็เทียบได้ทีนี่เผอหรือไม่เผอ ก, ก็รู้เนี่ยเป็นจังหวะของธรรมที่ที่เริ่มเกิดแล้วแล้วในขณะเดียวกันก็เริ่มวังหานที่เหลวประเภทต่างๆซึ่งฝังจมอยู่ภารในจิตใจนี้ อย่างน้อยก็ทลา บ, บอกเปิดไปดึกซะก่อนละจากนั้นก็เลือดเยิมเยิมอ่ะยิ่งเข้าไปกว่านั้นก็มีแต่ความห้าวหาญมีแต่ความกลืนกล้าสา ม, มารถภายใจิตใจไม่มีความสะทกสถ า, านไม่มีวันไม่มีคืนมีแต่ความหวังเต็มหัวใจว่าต้องหลุดพ้นจากทุกข์ในไม่ท้าหรือต้องเอาให้หลุดพ้นจากทุกข์ปราบกิเลสให้ราบคาบในไม่ช้า คำว่าถอยหลังหรือคำว่าทอดแท้หรือคำว่ากลัวกิเลสคำว่าคีดเหียดคีดค้านไม่มีเลยนี่เป็นเครื่องมัดเครื่องเทียบกันในขั้นอย่างน้อยขั้นนี้กับขั้นบางขั้นต้นที่ลราลิกคุกคาดเราทราบไปแล้วว่ามันมีทางต่อสู้กันได้อย่างนี้แหละโดยลําดับลําดับมาอืมช่องนั้นกิเลสต่อยเราทั้งนั้นถึงมาถึงช่องนี้แล้วมีแต่ความเพียรมีแต่ธรรมทั้งหลายต่อยี่เลสฟาดกันลงไป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 ความโง่เพราะไม่มีปัญญาก็เพราะอำนาจของกิเลสปิดบังเอาไว้ไม่ให้สติปัญญาเคลื่อนตัวออกมาได้เลยนี่ในขั้นที่มันติดมันติดจริงๆะขั้นที่มีกําลังมากกิเลสมีกําลังมากจริงๆแต่ยังไงก็ตามอย่าลืมว่าวิริยนอนุคมัมเจตินั่นเป็นเครื่องยืนยันรับรองกันแล้วในวงปฏิบัติเป็นองค์ศาสดาเป็นผู้สแสดงสเองนคนจะหลุดพ้นจากทุกข์ได้เพราะความเพียรทั้งนี้ ความเพียรมีความมุ่งมั่นเป็นของสําคัญมากทีเดียวความมุ่งมั่นนี้เป็นเป็นเหมือนทำแม่เหล็กเครื่องดึงดูดความภาคเพียรความบดความทนความมุ่งสัพยายามทุกด้านทุกทางมาเข้ามาถูกความมุ่งมั่นเป็นรากใหญ่เป็นรากฐานสําคัญนี่เราพูดถึงเรื่องระหว่างกิเลสกับธรรมดูในหัวใจของเราดวงเดียวกันนี้ระยะหนึ่งเป็นอย่างหนึ่ง อีกระยะหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งในหัวใจดรงนี้ที่มีความเพียรต่อสู้กันอยู่นั่นแหละจนกระทั่งถึงไม่มีเลยคาว่าความที่เกียจขี้ค้านทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นเรื่องของกิเลสที่นี้พูดได้เต็มปากว่านี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดนานมีแต่ความมุ่งมั่นมีแต่ความขยันหมั่นเพียรขยันก็เลยพูดไม่ถูกเขียวเข้าเลยนั่นไปแล้วเพราะความเห็นไถ่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 หยิบทั้งรวงหมุนติ้วเป็นธรรมจักรไปหมดจะว่าขันขยันหรือไม่ขยันอั้นก็พูดไม่ถูกเป็นจริงเรียกว่าอัตโนมัติของความเพียรความเพียรก็เป็นอัตโนมัติผลปรากฏเป็นสติปัญญาขึ้นมาเรื่อยๆแต่กล้าขึ้นมาเรื่อยๆนี่แต่เป็นเหตใุในการที่จะฟัดกับพิเสรเนเป็นผลอันหนึ่งขึ้นมาซะก่อนแล้วก็เป็นเหตุที่จะต่อสู้พิเรนได้ด้วยสติปัญญาประเภทนี้ประเภทนี้สุดท้ายพิเรนก็พังหมด ไม่มีในเหลือภานในจิตใจเลยแล้วเป็นยังไงที่หนีเราเทียบอตั้งแต่เบื้องต้นที่เราคุยปฏิบัติมาแล้วเป็นระยะระยะระยะเรื่องความรู้สึกในความเป็นอยู่ของตัวเองทั้งที่กิเลสเต็มหัวใจกับการประกอบความภาคเพียรมาโดยลําดับลำดาและกิเลสเบาบๆลงไปถ้าจะพูดเป็นเครื่องรับปันก็วับทำมีความหนานแน่น มั่นคงขึ้นโดยลําดับดูกันได้ชัดเจนเพราะนี้เป็นสัจธรรมจะลืมไปไม่ได้การประกอบความภักเพียนพื้นเพของจิตเป็นมาอย่างไรเป็นลําดับลําดามาจนกระทั่งถึงยมุตหลุดพ้นจะมองเห็นประจักษ์ภายใจิตใจตัวเองเพราะเป็นสัจธรรมจะลืมกันไม่ได้นั่นสัจธรรมตั้งที่เนี่ยอยู่กับหัวใจนี่เองมันเพราะใจเป็นผู้รับทราบทราบอยู่นี่ทราบเปทุกทุกระยะ ท, ท, ทั้งๆที่กิเลสมีอยู่ก็เป็นสัจธรรม ท, ทั้งทั้งกิเลสสิ้นไปแล้วสิ่งที่เป็นสัจธรรมก็เป็นหากไม่ติดไม่พันกันเหมือนแต่ก่อนระหว่างจิตกับสัจธรรมไม่ติดพันกันเหมือนแต่ก่อนตอนนั้นเองนะ <S <S ทุกข์ขัดนี่ก็เห็นอยู่สิ่งที่เป็นทุกตามธาตุตามขันเช่นความเจ็บปวดในธาตุในขัน <S <S เราก็เห็นอยู่ น, ะนีะมีก็เรียกว่าสัจธรรมประเภทหนึ่งมั น, น, ะนะจึงเป็นของไม่ลืมได้รู้กันอยู่รู้กันอยู่อย่างนั้นแล้วจนกระทั่งเวล า, าสุดท้าย เทียบกันได้ชัดเจนในใจดวงเดียวนั่นแหละเมื่อสรุปความแล้วใจนี่เป็นของสุดได้เป็นของทรมานได้ดัดแปลงได้ตามแต่ความสามารถความฉลาดแหลมคมของผู้ฝึกหัดดัดแปลงตนเองจะควรได้มากน้อยเกินไรและนอกจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับครูกับอาจารย์ที่คอยให้แนะนำการแนะนำส่งสอนโดยความถูกต้องแน่นยางไม่ผิดพลาดผู้ดาเนินเขาดาเนินด้วยความจัดจริง และจิตใจก็กล้าขึ้นสู่ความเจริญเรื่อยๆกิเลส ก, ก็ค่อยอ่อนตัวลงไปอ่อนตัวลงไปผลสุดท้ายก็ขาดสะบั้นหมดไม่มีอะไรภายในจิตใจเลยทีนี้ใจที่เต็มไปด้วยกิเลสเป็นครังของกิเลสกับใจที่เป็นครังของธรรมในจิตดวงเดียวนั้นต่างกันอย่างไรบ้างผู้นั้นก็ไม่สงสยัยแต่ก่อนเป็นครังของกิเลสเกี่ยนสภาพจากนั้นด้วยอํานาจแห่ ง, งความภาคเพียรก็กลายเป็นครังแห่งธรรมขึ้นมาจิตกับธรรมก็เป็นอันเดียวกัน ท่านว่าเ e อกธรรโมจิตอันในธรรมก็อนันต์เป็นอันเดียวกันนี่นะที่ท่านว่าวิมุตตุพ้นพ้นที่ตรงนั้นท่านให้ชื่อออกมาว่าวิมุตตุดพ้นคือพ้นจากสิ่งที่เคยเป็นมาแต่ก่อนอันเป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นเพียงเดียวภายในจิตใจและพ้นจากนั้นออกมาแล้วก็ไม่มีอะไรเพราะอำนาจแห่งความเพียรนะทุกท่านที่มานี่ ตั้งหน้าตั้งตามาพืชปฏิบัติกําจัดกิเลส ข, ของตัวเองให้ตัวเองนั่นเนี่ยเป็นผู้สอดสองเป็นผู้เพ่งโทษเพ่งกรนตัวเองมันบกพร่องตรงไห น, นให้แก้ไขตรงนั้นด้วยความจริงใจของตัวเองอย่าแล้วละแหล ะ, หละตั้งใจมาพืชปฏิบัติให้ดู<ม>หัวใจตนอยู่สเสมอเรื่องทั้งปวงจะเกิดขึ้นจากความกระเพื่อมของจิตที่คิดออกมาในเรื่องนั้นเรื่องนี้และเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา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 สัญญามักจะหมายไปนู่นแล้วเอามาเป็นอารมณ์เสี ย, ยใจดีใจเนี่ยเป็นเรื่องทุกเรื่องสมุทยัยขึ้นกับใจของตัวเองสติไม่มีก็ไม่มีไม่เป็นมักแก้ไม่ได้ปัญญามันมีแก้ไม่ตกเกิดอยู่เรื่อยๆนี่อาการของจิตเช่นนี้เกิดอยู่เสมอในหัวใจของแต่ละดวงละดวงให้พึงระมัดระวังแล้วอยากเข้าใจว่าเราอยู่เฉยๆไม่เกิดเรื่องกับผู้ใดมันเกิดเรื่องวันยั่งค่ำนั่นแหละมันเป็นในตัวของเราเอง มาดภาพขึ้นมาแล้วหลอกตัวเองว่าดีบ้างชั่วบ้างในอารมณ์อดีตนั้นมากที่สุดยิ่งกว่าอนาคตเรื่องอนาคตก็มีแต่ส่วนมากจะอดีตก็ตามอนาคตก็ตามมันเป็นเรื่องของจมูกไทยคือ เ, เรื่องของจิเล็กที่จะก่อทุกข์ทั้งมวลให้แก่ตัวของเรานั่นแหละถ้าไม่มีสติถ้า ม, มีปัญญาดูหัวใจของเราซึ่งเป็นตัวเหตุตัวการตัวเจ้าเรื่องเจ้าราวมันอยู่ที่ตรงนี้นะแล้วอย่าเข้าใจว่าดินน้ำลมไฟฟ้าแดดดินลมที่ไหนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเหตุเ ป, เ, หตเป็นผล จิตใจมันไปยุ่งกขาเขาต่างหากสิ่งเหล่านั้นมีมาตั้งกับตั้งกันไหนก็ไม่รู้แหละเราตายไปแล้วมันก็มีอย่างนี้ออืเรามีกิเลสไปคิดคิดเจ้าเขายุ่งกับเขามันก็มีอย่างนี้ไม่คิดกับเขาก็มีอย่างนี้ชิ้นกิเลสไปแล้วสิ่งนี้ก็มีอย่างนี้มันเป็นขึ้นกับหัวใจเรานี้ต่างหากเป็นผู้คิดผู้ปรุงเจ้าเรื่องเจ้าราวเพราะฉะนั้นจงให้มีสติสังเกตดูอาการของจิตตัวเองจิงมันจะเอาเรื่องอะไรมาเผาเจ้าของให้ดูมันเผาอยู่ตลอดเวลาถ้ามันมีสติถ้ามีสติก็ไม่เผา แล้วมันระวังอยู่เสมอพอมันปรุมขึ้นเรื่องราวใดก็เหมือนกับไฟจะปรากฏขึ้นก็ดับด้วยน้ําคูชติมันกำลังงับไปกำลังงับไปใจเมื่อไม่มีเรื่องรุ่มรายตัวเองก็สงบลงได้ความสงบของใจเป็นผลขึ้นให้มีความสบายนะแต่เราวันไม่อยากสบายเพราะอํา น, นาจของกิเลสมันถุดมั น, นากมากกว่าที่จะอตอแสนองหาความสบายเพราะมันลืมตัวคิดเรื่องอะไรก็ลืมตัวไปหมด ส่นมากคิดแต่เรื่องชั่วเรื่องสมุทยัยทําให้ลืมตัวลืมตัวทั้งมันในวงของผู้ภาวนานั่นแหละแต่ไม่รู้ตัวว่าเราลืมตัวไปกับเรื่องของสมุทยัยในทางจงกรมก็ลืมตัวอยู่อย่างนั้นอย่างต่อหน้าต่อตานั่งสมาธิก็ลืมตัวอยู่ต่อหน้าต่อตาเราก็ไม่ทราบว่าเราลืมตัวไปกับสิ่งน้อย น, นี้ <c oughs> แล้วตรงไหนตรงที่เราฆ่า่ากิเลสได้ตรงไหนตรงที่เราล้างกิเลสไว้ให้อยู่บ้างตรงไหนถ้าสติไม่มี ก็ไม่เรียกว่าความเพียรไม่มีก็มีแต่เรื่องถลอกปอกเปิดกประกำมันจนกระดูกก็จะไม่มีเหลืออย่าว่าแต่หนังแต่เนื้อเลยมันขาดสะบัน้นไปหมดเนี่ยเพราะกิเลสมันลากมันถูไปนั่นเองเราทราบไหมว่าละเอียดขนาดไหนกิเลสนี่อเป็นของสำคัญมากทีเดียวมันเกิดในหัวใจของแต่ละดวงละดวงของผู้ปฏิบัตินี่แหละคนอื่นเราไม่ต้องพูดไม่ใช่สิ่งเกี่ยวข้องที่เรามาจะพูดนี่เรามาเกี่ยวข้องกันเป็นความจําเป็นที่จะต้องพูดให้รู้จักเหตุผลและวิธีแก้ไขของสิ่งเหล่านี้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 เวลาเราจะทําความภาพเพียนคิดปรุงก็เป็นปรุงเป็นอัดเป็นทำเราไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องคิดเรื่องโลกเรื่องสองสารเพราะเราเคยคิดเคยปรุงมาแล้วเรื่องเหล่านี้เรื่องเหล่านี้แหละมันทําให้เรารุ่งเหยิงวุ่นวายไม่ใช่ให้เราขึ้นสวรรค์ชั้นพรมแล้วไปนิพพานด้วยเรื่องเหล่านี้มันเรื่องหลอกลวงหัวใจเจ้าของนั่นแหละมันปรุงออกไปเป็นภาพเหมือนอย่างภา พ, พยนตร์่นึ่งฉายไปจากยิม จ, จากแฟมแล้วมัเป็นติดผูานึ่ง เรียว่าจอว่าแจนเรื่องไปหลงบ้ากันอยู่นู่นนั่นอะไรกันนี่เหมือนกันนั่นเนี่ยมันออกไปจากนี้ไปเป็นลูกผล น, นั้นเรื่องคนนี้ยุ่งไปหมดดูทั้งวันทั้งคืนเพินบ้าอยู่อยงั้นอ่ะบูภาพพยนต์ตัวเองอือภาพพยนต์ที่ฉายอยู่ในหัวใจนไปกันไปสัญญาอาดีตไปสัญญาอนาคตยุ่งไปหมดไม่มีสติสตังค์ดูเลยอันนี้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้นะที่คําพูดคํานี้จะเป็นความจริงแค่ไหนขอให้ปฏิบัติเข้าไปเมื่อถึงขั้นละเอียดที่ควรจะทราบ ต้นต่อเขาอมันแล้วไม่มีใครบอกก็ตามสารทิฏิโกผู้ทีเจ้าทรงสอนมาแล้วจะประกาศป้ายคือปัญหาหัวใจโอ้โหนั่นหลงภาพหลงกลมายาของกิเลสตัวเองที่หลอกออกไปข้างนอกไปดูซะจนไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันเกิดขึ้นจากไหนมันรู้แล้วทีนี้มันภาพขึ้นจากจิตเท่านั้นเองถ้าเรารู้ไม่ทันมันก็ไปเป็นภาพหลอกเราเหมือนกับสายภา พ, พภาพยนต์นั่นภาพยนต์เขายังทราบามันออกไปจากจูนอยู่นะเออแต่เราไม่ทราบว่าทีมคืออะไรก็คือหัวใจมันเนี่ย ตัวสมุทรไทยเป็นเจ้าฉากจับฉากทุกอย่างมันเนี่ยมันให้ฉายอย่างนั้นให้ฉา ย, ยานี่ฉายเนี่ยเป็นเรื่องให้เราจมให้เราเพลินในอ้าปากงับไม่ได้กันจะว่าไงเออน้ําลายก็ลืมกึนไปหมดเวลาได้เพลินกับภาพยนตร์ที่เกิดขึ้นในหัวใจเราของโดยสมุทรไทยจัดเป็นผู้จับฉากเห็นไหมเนี่ยดูที่ตรงนี้ทวารินจิตมันเพียงพอทุกสิ่งทุกอย่างและสติสตังมันทันแล้วยังไงมันก็รู้เรื่องเหล่านี้ พระอาจารยึงบอกว่าให้จำให้ดีน ะ, ะท่านตลาดต้อมุ่งต้องอาตจะทำอย่างยิ่งนะจำคำนี้ให้ดีผมตายไปแล้วคํานี้จะกำบานในหัวใจทั้งหลายหากเป็นผู้ตั้งใจพูดปฏิบัติให้เห็นอดเส้นทางก็ไปเดิมหลับจะพ้นจากธรรมข้อนี้ไปไม่ได้จะต้องรู้กฏปัญญาของกิเลสที่มันออกจากหัวใจเราก็ใช้เป็นสัญญารมให้เรารู้ให้ให้ใหเราดูเทินเป็นบ้าอย่างนั้นมันออกจากไหนเนี่แไม่ต้องมีใครบอกก็ทราบมันทราบในหัวใจนี่แหละนี่แหละคือสติทันปัญญาฐานมันทราบต้นเหตุมันออกไปจากไหนออกมาจากใจนั่น แล้วก็ทราบ พ, พอทราบแล้วก็พยายามดูต้นตอมันเนี่ยเหมือนกับช่องที่ท่านสามเณรสอนพระโิริลัวมีจอมปลวกอยูแ่แห่งหนึ่งมีหกช่องด้วยกันท่านวะนี่สามเณรเป็นพระอรหันต์สอนพระโบธิรัโบโตริรัตแล้วใบลานเปล่าเรียนเปล่าเปล่าหาความจริงไม่ได้มีแต่ความจำเต็มหัวใจน่ะ มีแต่ชื่อตัวจริงไม่มีถ้าเป็นธนาคารเขามีแต่บัญชีไม่มีตัวเงินอยู่ในธนาคารพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นแล้วสอนพรับโอธิรัตว่ามีจอมปลวกตัวแห่งหนึ่งแลวมีช่องอยูหกช่องให้ท่านปิดเขียห้าช่องนะเหลือไว้ช่องเดียวแลวจ้องดูอยู่นั้นแล้วจะเห็นเหียใหญ่ตัวหนึ่งซึ่งมันอยู่ในจอมปลวกนั้นออกช่องนั้นแหละ มันไม่ออกจะออกเที่ยวห้าจินจะออกช่องนั้นแหละเมื่อเราปิดช่องทั้งหลายไว้แล้วเหลืออยู่ช่องเดียวแล้วมันจะโผล่ขึ้นมานั้นแล้วก็จับได้ทันวะนั่นัางหกช่องคืออะไรตาช่องหนึ่งหูนั่นจมูกลิน้นกายห้าช่องแล้วายเป็นช่องที่หกให้ดูอยู่ตรงหิบระหว่างนั้นแล้วก็เห็นเหี้ยใหญ่คือจมูกไทยแล้วน่ะมันตูงขึ้นมาเหี้ยใหญ่เหี้ยใหญ่จะว่าอะไรเข า, ขาท่านเทียบเฉย แล้วมาในวงปฏิบัติของเราก็เมื่อมันเข้าใจหมดทางตาทางหูทางจมูกทางเลี้ยงทางกายมันสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องอะไรสติปัญญากรันกรองทราบหมดปล่อยวางได้หมดเดิมดับมันจะไปไหนเมื่อมันไม่มาทราบในหัวใจตัวเองที่มันตรุงมันแต่งขึ้นมาเนี่ยนี่แหละตัวเฮี้ยมันอยู่ตรงนี้สัมูไถยมันอยู่ตรงนี้มันปรุงจิตใจของเราออกเป็นฉากเหมือนตอนเขาฉายหนังยังไงนี่สติปัญญาทันมันก็รู้ว่ะสิ มันเกิดขึ้นจากที่นี่เกิดขึ้นจากที่นี่แล้วก็ทันกันเพราะทันกันพับมันก็ดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมกับสติปัญญาตามต้อนเข้าไปเรื่อยๆตามต้อนเข้าไปเรื่อยๆจนเห็นเหตุเห็นผลกันแล้วทังกันหมดทั้งจอมปลวกไม่มีอะไรเหลือเลยอ่าจอมปลวกภายในนั้นไม่ได้หมายถึงจอมปลวกใหญ่อย่างนั้นจอมปลวกภายในเนี้เอาให้แหลกหมดเลยช่องมันออกอ่าเหี้ยใหญ่คือสะมูทัยมันออกช่องไหนมันออกจากใจนี่พิจารณาไปดังที่เคยพูดแล้วนั่นแหละเมื่อมันถึงขั้นรวมตัวแล้วอะไรออกมาทันหมดรู้หมด ไม่ว่าอะไรจะปรุงขึ้นมามันจะปรุงเรื่องอะไรเรื่องเดียวนะครับพอกระเพื่มพับก็เหมือนกับเตือนสติปัญญารพร้อมๆในขณะเดียวกันเพราะสติปัญญาพร้อมตัวอยู่แล้วที่จะทราบในสิ่งทั้งหลายที่สัมผัสัมพันธ์กันแม้แต่ไม่มีอะไรมาสัมผัสัมพันธ์สติปัญญาขั้นนี้จะไม่นอนตัวเลยทราบอยู่ตลอดเวลานั่นเป็นอย่างนั้นมีการปูปฏิบัติที่ฆ่ากิเลสเป็นต้องเป็นอย่างนี้สติปัญญาขั้นจะฆ่ากิเลสต้องเป็นขั้นที่แปประหลาดอัศจรรย์ยิ่งนักไม่มีอะไรเหมือนสติปัญญาขั้นนี้เลย เป็นสติปัญญาในหลักธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองเป็นเองเราไปปรุงแต่งให้เป็นสติปัญญาขึ้นมาเหมือนหลงหลานไม่ได้สติปัญญาขั้นนี้จิ้เลี้ยวเป็นสติปัญญาอาศัศจรรย์นี่แหละเป็นสติปัญญาที่ที่เลสมันพังที่ที่เลสั่ที่สุดคือสติปัญญาขั้นนี้ใครก็ตามถ้าลงได้ก้าวถึงสติปัญญาขั้นภาวนาเป็ญาปัญญาแล้วอย่างไรทิ่เลสจะต้องพังบ้านแตกสาแหลกขาดที่ที่เขล่ะไม่สงสัยนะตัวนี้ตายวันนี้ตัวหน้าตายวันนั้นตัวนั้นตายวันนั้นตัวนั้นตายวันตายไปเรื่ ไม่มีรอาการฆ่ากิเลสฆ่าทุกเดียวบท์ยืนก็ฆ่าเดินก็ฆ่านั่งก็ฆ่าด้วยสติปัญญาประเนี้เว้นแต่หลับเท่า น, านั้นมีแต่กางฆ่าการผิดกิเลสขึ้นไม่มีแล้วกิเลสมันจะเอามาจากไหนกี่โลกธาตุมันจะมาความหงหัวใจอันเดียวเนี่ยพอที่จะฆ่าไม่ไหวมันก็เกิดขึ้นหัวใจดวงเดียวนี่เวลามันอยู่ก็อยู่ในหัวใจดวงเดียวนี่สติปัญญาเกิดขึ้นที่นี่ฟันฟาดฟัง ก, กันที่นี่แหลกลงที่นี่พังลงที่นี่หมดแล้วจะเอาอะไรมาเป็นกิเลสจะเอาอะไรมาเป็นวัตตะวัตตะจิตที่เคยเป็นมัตตะก่อน ชัดแล้ววัตถจิเป็นเป็นที่หมุนไปเพราะอะไรก็เพราะธรรมชาติอันนี้เองนี่ที่ตัวมันจับฉากจริงๆนี่พังตัวตัดฉากนี้ลไปแล้วเสร็จเลยไม่มีอะไรเหลือเอาอยู่ไหนะอยู่เธอทนี่แสนสมายนะไม่มีอะไรกวนเลยตาก็ดูอย่างเต็มหูเต็มตาไม่มีกิเลสมากวนไม่ไม่ไม่ไม่มีกิเลสตัวมาคอยิีบคอยฉวยเอาไปกินนะหูก็ฟังให้เต็มหูทุกสิ่งทุกอย่างที่สัมผัสสัมพันธ์ฟังได้เต็มหัวใจ โดยไม่ต้องระมัดระวังว่ากิเลสจะมาแทรกมาแซงมาหยิบฉวยไปกินให้เป็นประโยชน์ข้อมันนั่นทิ้งว่ากิเลสมันตายมันตายอย่างนั้นแน่มันต้องเห็นโดยการชัดเจนไม่ต้องสงสัยอามันเป็นเครื่องของใจได้ต้องทราบแบบที่พูดนี้แหละไม่เป็นอื่นต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนไม่สงสัยแม้พระเจ้าปรินิพานไปนานเท่าไหร่ก็ตามแต่ทุกวันนี้ความจริงนี่ไม่ได้เป็นการเป็นสถานที่เวลาเวลาท่านที่เรียกว่าอาการิโกอาการิโก ประนความจริงล้วนาไม่มีการสถานที่เข้ามาเกี่ยวข้องเลยเมื่อปรากฏขึ้นในที่ใดในหัวใจของบุคคลผู้ใดสถานที่ทีโกบอกประกาศต้างขึ้นในนั้นเลยอ๋ออย่างนี้เหรอนั่นนี่แหละการปฏิบัติทําเราให้ยิงให้จังนนักนปฏิบัติลองนี่เรารอแล้ลแหละมองดูหูเพื่อนมันดังที่ผมเคยพูดมันมันแปลกแปลกประหลาดทำให้สดุดตาเห็นก็สะดุดหูได้ยินสะดุดมันทำไมมันยินสะดุดอืม ถ้ามันมันควรชมจะได้ชมนี่นะอันนี้มันไม่ควรชมเพราะเพราะอะไรเพราะเราเป็นผู้ที่จะคอยดูแลหม microbes, right ู่เพื่อนบกพร่องที่ตรงไหนไม่ได้หมายถึงจะเพ่งโทษเพ่งกรหมู่เพื่อนอะไรนะคอยดูคอยฟังอะไรอะไรเพราะเราเป็นผู้สอนสอนด้วยความเมตตาด้วยความสงสารจริงไม่ได้มีอะไรมาเกี่ยวข้องในในหัวใจตรงนี้สอนด้วยความเมตตาสงสารจะดุจะนามากาวเพศใดมีแต่ทำล้วนๆที่มาสอนหมู่สอนเพื่อนทุ่มกันลงด้วยทำไม่ได้เอาที่เด็ดมาทุ่มเลยนี่เราพูดจริงๆเต็มหัวใจเรา เวลาคิดเด็ดมันเต็มหัวใจก็เราก็ทราบเป็นนั้นก็ก็รู้หากว่าคิเด็ดมันหมดจากหัวใจแล้วทําไมจะไม่รู้ล่ะนั่นเวลาเป็นไปกับโลกคิดเล็ดมันยังรู้เวลาเวลาจิดสมมุติว่าสมมุติว่านะคิดมันพ้นจากคิดเล็ดแล้วทำมันเป็นไปด้วยอะไรสิถ้าสมมุติเราเป็นไปด้วยธรรมล้วนทําไมจะไม่รู้ล่ะหัวใจตรงนี้มันพร้อมที่จะรู้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องรู้สินี่นี่มันจะหมดหรือนางผู้ที่จะทสมมากสงผลเมื่อไหร่เนี่ย ในโลกมันเหยียบเอาเหยียบเอาเหยียหยแลกไปหมดแล้วนะไม่มีอะไรเหลือแล้วคนดีจะไม่เหลือลได้ทําไงก็มีแต่ฟืนแต่ไฟเท่านั้นเองอที่มันจะเผาหัวใจของจัดโลกของเราของท่านของใครก็ตามมีทำเท่านั้นเป็นเครื่องดับคำหรือเป็นเครื่องกําจัดสิ่งนี้ได้ไม่มีอย่างอื่นอย่างใดที่ดับได้เลยเราต้องผลิขึ้นมาที่ความดีขึ้นมาภายในจิตใจความจมในวัฏฏะสงสารนี่จมไปด้วยความทุกข์ความประมานเท่านั้นแนะ่ะเราอย่าจบว่าเข้าใจว่าจมด้วยความสุกขความสบายเลยมันมี้ด้วความทุกข์ความประมานตูดเต้นไ่ ดูลมันชัดเจนสิมันเห็นในหัวใจแล้วมันก็ดิบผังกันเองอืมพอพูดมันจะไม่เล่นมันตับเป็นตังมันเองนี่คืมีเหนื่อยอะล่ะปอเป็นสัต์เป็นคนมันเห็นไมคัดที่มันละเอียดมันมองไม่เห็นสิมันมากต่อมากนะนี่บิญญาณดวงไหนก็ตามมันก็มีอันนี้เป็น เจ้าอำนาจเจ้าอำนาจอย่นั้นทั้งนั้นนะเพราะมันถึงไม่พ้นจากการท่องเที่ยววกเวียนอันนี้พาให้เป็่นไปอันนี้ออกวัตจิตเนาะคือพาจิตให้หมุนวัตถจิตวัตถจักรเหมือนกงจักรหมุนไปเพราอพอเชื่อของอันนี้ที่พาให้หมุนนี่มันหมดไปจากใจแล้วปัญหาทั้งมวลก็ ลดหวบลงรอดสินเลยน่ะเพราะธรรมชาตินี่เป็นเจ้าปัญหาเป็นเจ้าเรื่องพออันนี้หมดไปแล้วะปัญหาทั้งมวลก็หมดซึ่งสุดลงในขณะเดียวกันเลยเรื่องปัญหารเรื่องอันเดียวกันทนะั้งหมดท่านจะตื่นอะไรเออที่เชื่อนี่ เมื่อเขาว่าเราว่าว่ามีมีเรานะก็พูดเองนะกิดดวงนี้เราไปลาดพิงพ์กปั๊บแล้วอันนั้นมีอันนี้มีอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้อันนั้นสีขาวสีแดงสีดําอันนั้นใหญ่อันนี้เล็กอันนั้นยาวนี้ขั้นอันนั้นดำสีขาวเลยว่ามีแต่เจ้าคือเจ้าขนองเนี่ยมันไปที่วาดไปหมดแล้วมันก็อยู่กับสิ่งอันี้ยเพลินกับสิ่งนี้ยอ่กับดินฟ้าอากาศทั้งร้อนทั้งหนาวมันไปว่าเองมันแหละแล้วมันก็อยู่กับสิ่งของนี้แ คืออยู่กับภาพกับของที่ไปวาดติ่งหัวนี้นะธรรมาชาตินั้นเขาไม่รู้เรื่องอะไรกับตัวนี้แหละแต่ตัวนี้เราไปวาดเราเองก็ตื่นอารมณ์จับของนี่ะสําคัญตื่นอารมณ์กับของแล้วถา้าตามใดที่มันยังไม่ยังไม่รู้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ว่าใครก็ตามมันต้องเป็นอย่างนี้ทังนั้นเพิินอยู่กับสิเหัวนี้เหละแต่ของเราไปวาดภาพเอาธรรมาชาตินั้นเขาไม่รู้นี่ ว่ามีหรือไม่มีว่าเขาเป็นอะไรล่ะเขาไม่รู้ให้เราเป็นผู้วาดภาพเองเป็นผู้คิดผู้แตง่งผู้ทังผู้แตง่งผู้ําคัมนมากหมายแล้วก็ไปหล ง, งคันนําคันหมายของตัวเองนั่นแหละแล้วลลยึดเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องเหมือนกับตุ๊กตานะั้นเล่นเด็กเล่นตุกนะ๊กตาเนี้ยเป็นอะไรไปใหนเราตื่นอารมณ์ก็เหมือนกันนั้นถ้า พ, พอมันล่อบแล้มันไม่ตื่นนี่อเมื่อมันไม่ตื่นนั่นก็เหมือนโรกไม่มีใครถ้าว่ามีก็ ก็ทราบเสียว่าอันนี้มันแยกออกไปว่ามีเนี่ยถ้าอันนี้ไม่แยกอะไรจะมีมันอะไรจะมาเกี่ยวข้องแน่นเรื่องมันเห็นท่ทัดกันอย่างนั้นแล้วมีนี้มีก็คืออันนี้แยกออกไปแยกไปแยกไปถ้าอันนี้ไม่มีไม่แยกมันก็เหมือนไม่มีทั้งๆที่สิ่งนั้นก็มีตามหลักธรรมชาติของก้อนนี่แหละเช่นเรานอนนับสนิทแต่ก็ดูที่ร่างกายเรามีแล้วไม่มีนั่นยังว่าสิ่งฐานบ้านเดือนอะไรต่ออะไรที่นอกปจากกายนี้เลย เราพูดเฉพะร่างกายของเราเนี่ยมีหรือไม่มีมันไม่นะบรับทราบสิ่งเหล่านี้เนี่ยว่ามีไม่มีตอนนั้นจิตมันเข้ารวั ง, งความหลับสนิทไม่แสดงอาการอะไรเลยในขณะที่หลับสนิทนะั้นจึงไม่มีอะไรทั้งนั้นมีแต่ตัวอวิชางินก็ไม่ได้ทํางานคําว่าฝันนั้นนนัไม่ได้หลับสนิทนะคําว่าฝันนั้น หลับที่นี่ตั้งไม่ฝันนั่นแหละเป็นวหลับที่นี่แล้วอะไรมีตอนนั้นลายแต่หลับแล้วอยู่ตั้งกับตั้งกันมันก็ดับได้ใครรู้ความไม่มีอะไรเข้าไปยุ่งไปเกี่ยวนี่ที่เราหลับในคืนในคืนหนึ่งอ่ะเราทราบไหมว่ามันหลับนานเท่าไหร่เราไม่ทราบตื่นข้มาจึงมาคาดมาเดาตัางหากในขณะที่หลับไม่ทราบนี่แล้วมันดับหมดทุกทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเวลานั้น จะเป็นความทุกข์ความทรมานทางจิตใจเรื่องเล่าอะไรอะไรตามที่มันเต็มหัวใจนั้นะขนาดที่มันหลับสนิทจริงๆแล้วมันตรงหมดไม่มีอะไรเหลือเลยต่อย ห, หมดผมก็เคยพูดมรในหนังสือกเ็เคยพูดว่าอคนที่คนสามัญคนธรรมดาเรานี่ถ้าทนข้อเปรียบเทียบนะพอที่จะเทียบได้บ้างเป็นข้อเปรียบเทียบกันนะกเ็เราได้ชมนินพนานตอนที่หลับสนิทนะั่นแหละ คนทีกิเลสอันนี้พานของคนมีกิเลสก็คือตอนหับสนิทแหละพอเทียบพอพอเป็นเครืเทียบได้เดี๋ยวนี้พานคนมีกิเลสเนี่ยคือตอนหลับสนิทไม่มีอะไรอ่ะคืออวิชาก็ไม่ไม่ได้เสกสรรปั้นยอกันอะไรแบนั้นไม่มีอะไรจะมาเสกกันเลยเงียบเลยอ่ะคือพอตื่นขึ้นมาก็มันก็ทํางานอ่ะตื่น สิเขาอยากได้นึกเป็นอย่างนั้นเรื่องที่เงียบท่านก็นเงียบของท่านแต่ไม่ใช่เงียบศูนย์นะที่ที่เอียบที่เหนือสมมติโดยประการทั้งปวงก็เป็นอย่างนั้นแลสิ่งที่แยบแยบเหมือนอะไรหินห้อยห้อยนะั้นนั่นก็เป็นเรื่องของธาตุของขันเป็นอีกอยนางหนพอธาตุขันปล่อยแล้วเรื่องทั้งปวงนี้ทึ่งไปเกี่ยวข้องกับธาตุขันมันก็ไปพร้พอมพอกันหมดไม่มีเหลือ ปริญผ่านแล้วมนะันว่นนี้ไม่มีอะไรพาดทิ้งก็พูดไม่ได้อ ย, อย่างพระ อ, อนุทะตามเสด็จผู้ยิ่งในขณะที่จะปริญผ่านจนทั่งปริญิพานแล้วนะนะั่นแหละก็ดูเอางานในประวัติมีในนั้นตำหรับมรามมีนี่พระออนุทักเต่งในทางเจตโตปัญญาหรือปรัชญาวิชา รู้วาจิตรู้จิตของคนอื่นพระเจ้าจะปริพันธ์เรงเตเข้าสู่ปฐมฌานเรื่อยไปล่ะปฐมฌานตีอาฌานตัดียฌานจะตุเบฌานฌานสี่นี้เป็นรูปฌานแล้วก็ก้าเข้าไปถึงอากาสานจายนะวิญญาณาจายกันนะอากิณัญญาอนเนสัญญานัญญาอนา นี่เป็นอรูปฌานสมีกิจก้าวเขาไปก้าวเขาไปผ่านไปผ่านไปผ่านไปจนไหนพระอนุชาลุ่มหมดรู้หมดรู้หมดนี่มหมดจนกระทั่งข้าสัญญาเวททายตานิโรธดับสัญญาไรเวสนาทั้งหมดทั้งหมดทองค์อยู่นั้นแล้วก็พระทั้งหลายระสงสัยก็มีพระอุบาลีเป็นต้นสงสัยถามพระอนุชาว่านี่ไม่ใช่พระพุทไม่ใช่พระพุทธเจ้าปฏิพานแล้หรือ ตังถ้าก็ตอบทันทีบอกว่ายัาง น, นั่งเลยเห็นไหมนี่เข้าประทับอยู่ที่คญยาเวทายุตนนิโรธนักเพราะผู้ ด, ดูดูอยู่นี่เช็นไหม น, นี่นั่นอ่ะถ้าจิตที่บริสุทธิ์นั่นดูสิศูนย์ไหมถ้าศูนย์พระนุต้าเห็นได้ย่างไงหนักเอายัานกันตรงนี้เลยพระนุท้าก็เป็นพระราหารันแต่เก่นทางปรัชิตัวิชาตามเสเด็จตามพระจิต ท, ทุงพระเจ้าตามสด็จใ น, น เวลาเข้าฌานเรื่อยๆพอเคลื่อนไหวขอ้นมาก็บอกเคลื่อนออกมาจากสัญญาอุไชแไปโดยเรื่อยมาจนกระทั่งถึงพระจิตทำบริสุทธิ์ธรรมดานักที่ก้าเขาอีกพอก้าเขาฌานเขานี้ก็ถึงแค่รตตตุฌานซึ่งเป็นรูปฌานสีแล้วก็ไม่กล้าไปนู้นอีกพอผ่านจากอรูปผ่านจากรูปฌานสีแล้วก็ไม่กล้าเข้าไปอรูปฌานสี เพราะทั้งสองอย่างนี้เป็นสมมุติด้วยกันถ้าจิตที่เป็นสมุติก็ผ่านออกวกงกลางเมื่อผ่านลงไปแล้วก็ไม่มีอะไรพาดพิงแล้วก็พูดไม่ได้ว่าไปนู่นไปอยู่ที่โน่นที่นี่ไปพาดไปอยู่ที่นั่นที่นี่นีนน่ไม่ได้เพราะว่ามีที่พาดพิงอันนี้มีมีสมมุติพาดพิงกันอยู่นี่รูปปั้นรูปปั้นนเป็นสมมุติสัญญาเวทยัายาโยก็เป็นสมมติพระจิตเข้าไปเกี่ยวข้อ ง, ขงกับสมมุติใดก็บอกได้ว่าเวลานี้อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นนั้นพอออกสมมุตินี้โดยประการทั้งปวงแล้ว นั่นพูดไม่ได้อ่หยิบตรงนั้นแหละยิดที่ดวงบริสุทธิ์นั่นแหะเวลามันมีอะไรพาดทิ้งแล้วก็พูดไม่ได้แล้วศูนย์หมาล่ะฟังซิในยุในนี่สิ่งที่พาดทิงอยู่นี่ก็พูดได้ว่าจิบพระจิตของพระเจ้าเวลานี้เสด็จไปตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นนั่นพระจิตที่บริสุทธิ์นั่นไปไหนก็รู้หมดเพราะมีสมมุติเป็นเรื่องพาดทึงกันขอให้มีพูดพอออกจากนั้นแล้วไม่มีสมมุติ ก็ทีนี้ปริพันธ์แล้วเท่านั้นนะชาติเป็นผู้นิพพานพูดเรื่องนิพพานพูดได้เก็มปากเลยพระอรหันเป็นผู้สสอุปาฏิเสธนิพพานยิดเป็นนิพพานทั้งที่ยังมีท่ามีขันธ์อยู่พูดได้เก็มปากเรื่องที่กามมเหล่านี้เป็นเรื่องสดนร้อนๆในหัวใจของผู้ปฏิบัตินะ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลยการอาจการเอื้องการตะเกียวตะกายของผู้ปฏิบัตินะทำเป็นสว่วค้าทำจัดไป้เพื่อเพื่อพวกพวกเราพวกปฏิบัตินี่แหละไม่จัดเพื่อใครสว่วค้าทำจัดให้ชอบแล้วผู้ปฏิบัติดำเนินให้ชอบเถอะจะไม่สงสัยในเรื่องผล ท, ที่จะพึงได้รับพระพุทธเจ้าแท้ๆพูดจัดไว้ผู้สอนไว้อ้่บ่ พรนุท่านี่จะเป็นเชื่อกริยับพระนุท่าพระนุนเหนีเป็นเชื่อกระส์ในวงประสาทกระดานนั่นเนี่ยเออกกบวชทังหมดเลยเป็นพหลานเล่นวันในหนังสือเราว่าสกุลประสารีุงศ์ั่นตร้งอะไรนางสาลีหรืออะไรว่ามีลูกเจ็ดคนแล้วเป็นลูกชายคนั้น่างั้นถ้าผมจำไม่ผิดเข้าใจแล้ว แล้วเป็นพระสารหมดเลยฟังว่าออกบวดเมื่อเป็นพระสารนหมดด้วยไหนดื้มลึมหน่อยตรงนี้พระเทวตะก็ใช่องค์ไหนบ้างหน้าที่เป็นน้องของพระสัฤวิตรพระเทวตะก็ใช่พระเทวตานี่ชอบอยู่ในป่านัในเขาแล้วอฏิหารตึงนะพระเทวตานี่มีปฏิหารตึง วันนี้ไม่มีงานอะไเพราะจงหวนหมู่เพื่อนเพื่อได้ภาวนาแล้วผมไม่ชอบมาตะไนด้วยถ้าเกี่ยวเรื่องภาวนาแล้วไม่ใช่ขี้เกียจเรื่องงานทั้งหลายแต่เรื่องภาวนาเป็นของสำคัญมากนะแลเถือจากนั้นเลยถึงเป็นเรื่องขี้เกียจในเรื่องยุ่งกับการสร้างนั่งทงงไม่เอาเอาแต่อันนี้เนนวลาเราปฏิบัติก็ เราก็ไม่ได้สร้างอะไรนะออกปฏิบัติเรียนก็ตั้งหน้าตั้งตาเรียนพอหยุดจากเรียนแล้วไปตามคํำสัจาะที่ฐานเราที่ตั้งเอาไว้แล้วออกเล ย, เลยออกก็ออกจริงๆไม่ได้เกี่ยวข้องกับการก่อการสร้างอะไรทั้งนั้นเลยเรืเ่อยเรื่อยเรื่อยปากปากจริงๆนี่เขากเขาจริงๆสู้จริงๆ เพราะว่ามันต้องไปคิดถึงเรื่องอะไรอาหารการกินที่ที่เป็นของป่าของเขาที่เราเคยกินในป่าขอเขามันทําให้ระลึกถึงคุณค่าของสิ่งนี้นะเออเนี่ยเท่พระพุทธเจ้าทรงอะอะไรลืมพระเนตรบูชาต้นโพนี่มันวิ่งถึงกันมันระดับนั้นก็ต้นเห็นคุณค่าเห็นบุญเห็นคุณของต้นโพอะไรเจ็ดอะไร ตั้งเจ็ดอาทิตย์นะห่างละเจ็ดวันเจ็ดวันนะัผมก็ลุงเดิมที่อพนะราะว่ะในพุทธวัดก็มีที่ยกต้นโพขึ้นเป็นคู่เทียงของศาสนานัเนนีะ่เนี่ยก็คือพระ อ, องค์ทรงเห็นคุณค่าต้นโพแล้วพูดภาษานของเราเขาเรียกว่าเห็นบุญเห็นคุณเป็นกระตันยูขึ้นมาแสดงกระตันยูขึ้นมาประทุต้นโพที่พูทธเจ้าตรัสรูล <c oughs> อั น, นี้อาหารชนิดใดที่ที่เราเคย ครบร้ยฉันมาตั้งแต่เวลาต่อสู้กับกิเลสแบบสมบุกสาบันแบบลอดเป็นลอบตายมานั้นมีอาหารประเภทใดบ้างนี่พอมาเจอเข้อทีไรมันไม่ได้กินนะมันนักเป็นสะดุดตึกสะดุดตึก๊กพวกหน่อไม้พวกผักอะไรผักกระโดนกระเด็นผักเครื่องของป่านั่นแหละมันสะดุดสะดุดนะมันเหมือนก็เป็นคู่มิคู่จะหายคู่พึ่งเป็นตุ้งตายจะมาแต่ แต่ก่อนมันเป็นมันไม่ได้กินในอย่างทุกวันนี้ก็ไม่กินแล้วผักอะไรเขาเรียกโหระพาละเพลออะไรหอมๆ น, นั่นนั่นก็มีอยู่บนเขานะมีอยู่ตามน้ําซับน้ําคั่มพวกนี้มีแต่มันเป็นเป็นเถาวันมันมันไม่ใค่เป็นต้นนะคือมันเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเถาว์เกิดอยู่ตามาตามน้ําซับตามน้นำำามําซับน้ำำําคั่มเขาเรียกน้ําคั่ม โยมแล้วก็ไปเด็ดมากินบันนะยอดสองยอดเลื่อยถ้าวันไหนมันมีพริกมีอะไรก็ให้เขาไปเด็ดอมากินถ้าเราอยู่นั้นมันอยู่ใกล้ๆ ก, ก็มีบางแห่งอยู่ใกล้ๆ ก, กับที่เราฉันเลยก็ ม, มีมันมีน้ําเพราะพากมาช้างอยู่ที่ไหนต้องมีน้ําไม่มีได้เลยแล้วก็ผักมันมีหลายชนิดอย่างทําลีเนี่ยเป็นนักกินผักคนจังหวัดเลยเรายังสู้ทําลีไม่ได้นะเรื่องนักกินผักอูกินได้หมดบา้าเลยนี้กินได้หมด กินอย่างแตกฉานแล้วไปกินอยู่ในป่าก็ผักชนี้ต่างๆมีเยอะนะในป่าองค์หนึ่งรู้อย่างหนึ่งองหนึ่งรู้อย่างหนึ่งรูปผักนะนั่นแหละที่ได้กินมากๆกัเพราะองหนึ่งรู้อย่างหนึ่งองหนึ่งรู้อย่างหนึ่งพาเอามากินนะผมเคยพบกับเพื่อนกระฝุงหลายจังหวัดต่อหลายจังหวัดนี่นะองค์นั้นทํานานกินผักอันนั้นองนี้ทํานานผักอันนั้นอันนั้นองคนั้นทํานาญผักนั้นที่นี้หลายองค์แต่ละองค์มันคบกันหลายครั้งละหนมันก็จําได้ใช่ไหมันก็กว้างขวางไปเอง มีเวลาทุกวันนี้ผักเหล่านั้นนะ่ะมันมาผ่านมันจะสะดุดหัวใจนะเป็นไม่กินนะมย่ผักกระโดนอย่างนี้เหมือนกันอย่งค้มกินผักอะไรหอมๆกี่ว่าโหเราพาละเพาไปมันอยู่ตามน้ำจำน้ํนะําคำขะแล้วก็หนอ่อหน่อไม้อยูในป่า ก, กินแต่หน่อไม้นะถ้าเป็นหน้านี่นะหน้าหน่อไม้สําคัญที่ผักนี่คนระันอรินธรรมา ก็เราไปหาอย่างนั้นนันไม่ใช่มันไม่มีนะเราไปถูกที่เป็นแค่กันดารไม่ใช่อย่างนั้นนะ่ะเราไปหาเองบ้านไหนคนนับถือมากลุงมากอาหารการบมืองพงมากเขากวรมันไม่ได้ภาวนาก็เราหาภาวนาอย่างเดียวนี่เพราะงั้นที่ไหนที่เห็นว่าเป็นความสะดวกในการภาวนาเราจึงชอบที่นั่นแต่ที่คนไม่ยุ่งนั่นเองเมื่อคนไม่ยุ่งอาหารมันก็ไม่ค่อยมีละอืมแล้วนั่ง น, นั่งอย่างไปหาบ้านเล็กๆน้อยๆสามที่ลังคาเรือนบ้าง เก้าวหลังสิบหลังคาเรือนบ้างเนี่ยก็อยู่อย่างนั้น ถ, ถ้าเราไม่ฉันกี่วันนี่ก็ไม่ได้พบคน่พบแต่เล่าคนเดียวนี่เขาก็ไม่มามาหากันอะไร เ, เขาก็ไม่ใช่เป็นคนยุ่งกับพระด้วยเราก็ไปหาที่เช่นนั้นด้วยเนี่ยไม่อยู่สบายนั่นแหลที่เ ด, ดฟัดกับพิเดททั้งวันทั้งคืนเห็นดําเห็นแดงข้าวไม่กินภาวนายิ่งด วันกินทีน้ำวันนี้กินอืมัดที่ก่อนแนวเก็ทางขั้นด้านปัญญานี่ก็เหมือนกันปัญญากับครื่องตัวถ้าเราอดอาหารนะมันช่วยกันจริงๆนี่หมายถึงสำหรับผมเองนิสัยมันแต่ว่านิสัยยากอะไรก่อนแล้วแต่เรื่องอาหารมีสําคัญมากกับเราเพราะฉะนั้นเราจึงมีท้องเสียเพราะเราชอบอด เนื่องจากว่าอดาหารแล้วภาวนามันมันช่วยได้ดีนี่นะไม่ได้บังคับบัญชาอะไรกันมากนะถ้าทฉันอืกนแล้วโอ้โหขี้เกียดก็มากนอนก็เต่งราคาตันหาก็มักเกิดได้ระวังอันนี้เหล่ามากนะวิพาทขันเวลามันคึกขนองมันเป็นทั้งมันนะเราไม่ไปคึกขนองกับมันไม่ไปสนใจยินดีกับมันก็ได้ดีกับมันก็ตามนะแต่เรื่องท่าทางขันขป็นเครื่องเสริมมันแสดงออกมาเราก็รู้ อาหารดีๆตามสมมุนิยมิ้วด้วยแล้วปกคัดผัดมันๆโว้ยเต่งมากนะในระวังผมไม่ได้กินนะถึงแบบไปในเมืองในหน้าที่ไหนจําเป็ น, นก็กินนิดๆระวังขนาดนั้นนะอาหารสับปลายะอาหารเป็นที่สบายนในธรรมที่ท่านสอนไว้ว่าที่ส บ, บายในการภาวนาต่างหางไม่ได้ส บ, บายเพื่อราคาต่างหาเกี่ยวกับธาตุขันนี้นะอาหารรสับปลายะคืออาหารเป็นที่สบายในการภาวนากินนะ ขัดขันก็ไม่กําเลิกการภาวนาก็สะดวกสบายนั่นอุดอาระอาหารอาาระทะางน้ำอย่างนั้นแต่นั้นจึงต้องใน ล, ละมันตะวังโอ้ยกินแบบนักโทษนทั่นแหละคุณง่ายแล้วยังไม่ลืมท่านอยู่คุณพร ม, มูนีวัดนราธิวาสพูดเออทา่านพูดแปร์นะหรือว่ท่านท่านพูดเป็นธรรมะน่าฟังนี่นะเพราะท่านสนใจภาวนาตลอดนี่ทาา่านว่าโอ้ผมอยู่ในกรุงเทพวันนี้ก่อ มันไม่ได้ไมไ่ฉันอาหารกรุงเทพร้อยเปอเซ็นนะท่านอาจารย์วางินนะ่ะทำไมถึงไม่ได้ฉันร้อเปอร์เซ็นหรับถ้าค่ฉันพวกอาหารประเทศโลกโลกแล้วมันไม่ได้นาวะแกั น, นี่กับราคามันก็แรกันขนาดท่านวางเงนนะคือมันเสริมต้องเรยะมัดระวังฉันของแหงๆอย่าง น, นี้ไปอย่างนั้นแหละท่านวาอยู่ในกรุงเทพก็จริงท่านวางเงินนะ ยิบเล็กไม่น้อยไปไม่ได้ฉันอะไรเต็มเม็ดเต็มหน่วยแหละแต่ถ้าฉันมันชอบท่านก็ว่างั้นแหละถ้านก็พูดถูกนี่แต่ทําไม่ชอบมันสิฉันลงไปแล้วมันก็เป็นโทษกับเราเนี่ยการภาวนาไม่สะดวกท่านว่างเนี่ยคือท่านภาวนาอยู่ทุกเป็นเป็นประจําทุกวันถ้าฉันแห้งแห้งฉันอะไรเล็กไม่น้อยไปนั้นแล้วภาวนาก็สะดวกอจิตใจมันก็ไม่ดิ้นไม่ดิบเพราะมีอะไรเสริมมันถ้าตุขันไม่เสริมมันท่านว่างนั่ผมก็ไอ้ท่านพูดน่าฟัง เพราะเป็นคำพูดที่เราเคยปฏิบัติอยู่แล้วมาดั้งเดิมตั้งแต่เราปฏิบัติออกปฏิบัติเราปฏิบัติอย่างนั้นนี่เวลาท่านพูดตรงกับความจริงทําไมจะไม่ยอมรับกันเออเข้าทีแล้วนพูดนี่เพราะเรามันเป็นนั้นอดอยากขาดแคลนยิ่งในหัวใจของเราเนี่ยบังคับให้มันอดอยากจงกระทั่งวันสามันเท่าไรเพรานั้นแหละสิบหกสิบเจ็ดดวงไปแล้วอย่าง ถึงได้ปล่อยก็เป็นจังหวะหรือเป็นเวลาที่มันจะไม่เล่นกับอะไรแล้วแหละธาตุขันไม่ก็จะดูดดื่มกับอาหารอนะไรน่าก็น่าอายุสามสหกสามสิบเจ็ดไปแล้วนะ อ, อ, อนั่นก็ฉันแบบก็ไม่มันมันดึงค่อยสะดวกมันก็มีอะไรนรืว่าไม่มีอะไรขันสบายแล้วจากนั้นมากระเสริมมันตันใดเสริมธาตุขันเพรามันไม่อยากจะไม่อยากจะครบจะชันอะไรต้องในเสริมส่งเสริมเช่นนมอย่างนี้ แต่ก่อนผมผมไม่แตะเลยนะนมมัแต่เรียนหนังสืออยู่มันก็เป็นอรู้ดชัดๆจริงไม่เอาเรียนหนังสืออยู่ผมก็ไม่ไม่เอาน่ะมันชันได้มาเวลาเขามาสวายมันมีนี่้องเรียนหนังสือเขาก็มาสวายมีก็เอาสวายครูบาอาจารย์เราไม่เอาแต่ทุกวันนี้ชันลงไปมันก็เหมือนเหมือนอะไรมันไม่ได้เสริมชันอะไรลงไปที่ว่ามันเคยเสริมแต่ก่อนมันไม่ได้เรื่องเท้านั้นน่ะเดี๋ยวนี้อาหารการบริโภค เพรา่านุขันมันอ่อนตัวพอแล้วมีแต่มันจะซุดลงไปเรื่อยๆนะแต่ก่อนไม่ระวังทุกอย่างแหละไม่ระวังไม่ได้นะักภาวนาจะเห็นแก่ริ้งแก่ปากไม่ได้นะมันต้องได้อ่ะมองดูทำอยู่ตลอดเวลายาขนาดไหนก็ไม่เอาถ้าเห็นว่ามันเป็นค้าสุดต่อทำแล้วต้องได้บังคับกว่านี้ตลอดนั่นหมายถเป็นเหมือนนักโทษนะวะการปลุกจกทรมานแต่ขอเนี่ยเหมือนนักโทษดีไหม นี่เคยทํามาแล้วไม่ใช่มาพูดเฉยๆนะเราเคยทํามาแล้วมันก็พูดได้อย่างเต็มปากเลยสิอยู่ในป่าในเขามนะันอยู่เงียบแหมมันมันสงัดอย่างจริงๆนะปรากฏว่าใจตรงนี้นะ่ะมันเหมือนมันครอบโลกธานความสว่างกระจ่างแจ้งของจิตทั้าปรากฏว่าเหมือนอะไรไม่มีในโลกนี้เลยมันสงัดของจิตความสะกดของจิตนะมันเหมือนไม่มีอะไรในโลกนี้เลย มันกลางวานอยู่กับความรู้เจ้าของอย่อไปรากฏว่านั่นฟังดิแล้วมีอะไรก็มันกลางวานอยู่กับความรู้คือความรู้นี่มันเด่นขนาดนั้นมันกลางวานอยู่กัวความรู้ระหว่างกระจ่างแจ้งมันเป็นแบบแบบปัจจุบันพูดไม่ถูกอะอยู่คนเดียวอย่างนั้นเหมือนมันครอบโยกธาตุไปหมดด้วยความรู้ที่สว่างสวัยที่พูดมันถูก เรื่องเงียบเงียบขนาดนั้นอนะ่ะก็ไม่ไม่มีอะไรในเขาจะไม่มีอะไรมันไม่เห็นชัดในหัวใจเราเวลาเริ่มภาวนาทีแรกก็หม่องหัวใจทํางานตุกตับตุกตับตุกตับตุ ก, ตกฟังกอยู่แต่พอมันเพลินในเรื่องการภาวนาไปแล้วมันหายเงียบไปเลยไอ้ตุกตับตับหายเงียบุผลสุดท้ายร่างกายก็หายไปตามันเลยน่ะ ถึงบาละมันหายมันหา ย, ยางั้นนะจุดไม่รู้ไม่ามารทราว่ารู้อยู่ทั้งสูงทังต่ำรู้ยังไงต้อไงมันปฏิเสธไม่ได้นะคําว่ารูนนะ้หากไม่ในกําหนดกฎเกณฑ์ว่ารู้อยู่สูงอยู่ต่ํารู้อะไรอยู่กับร่างกายหรือไม่ร่างกายไม่ฝึกทุนเวลาฝึกทรมานแต่ของอาหารต้องมีแต่อาหารดังว่าน่ะมันเข้าวเปล่าไม่ต้องพูดนะยมันจนชินเรื่องการข้าว่าเปล่าเนี่ย ชินว่า ไ, ไปบางที <c oughs> ถ้าสมมุติว่าเขาตำน้ําพริกให้เขาก็ใส่ปลาเสียปลาเป็นปลาดิบเนี่ยมันก็ฉันไม่ได้เสียทีว่างไเรเขาไม่มีใครตามมาเนี่ยเขาจะตามมาไรเราก็เราก็ไม่ให้เขาตำเราไม่ต้องการยุ่งบางทีก็ตำน้ําพริกให้สักหอ น, นึ่งมาน้ําพริกามีแต่พริกล้วนเราก็ฉันได้อันี้มันมีปลาอยู่นั่นปลาดิบเนี่ยเขาไม่ใช่ทําปลาียมมันก็นไิไไ่ดเสีย บางทีผมยังขบกันผมไม่ลืมนะพุทเถ้าท่านเจตนาของแกเขามาปินถ่านบานมาอยู่ภูเขาทางโน้นทางข้ามไปอะไรอทางกระดานหิน่ะภูเขาเขาเรียกถ้ำพระอะไรนะเป็นตรงนั้นพวกหมูพวกแก้งนี่อยู่เยอะนะนั่นถ้ำที่พมอยู่เสือก็เคยมาเขาบอกว่าเสือมันเคยมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้เขาบอกแล้วก็เวลา บินตำบาศก็บ้านเป็นบ้านน้อยสี่ห้าหลังคาเดือนบินตำบาศมาจากโน่นก่อนลุจประมาณทักสามกิโลกว้างคงไม่ถึงสี่กิโลละเรากะกะดูกะเอา้อยเฉยนี่มาบ้านบินตบาศแล้วผู้เฒ่าคนนั้นก็อายุคงจะประมาณทักทักสีสิบกว่าเนี้แหละแกจะคิดยังไงของแกนะผมก็เลย เหมือนกับประทับใจนะกินระบาดบ้านจะดีสุดทั้งๆังออกมาแล้วดีระบาดในในกี่ห้าหลังนะฮะไหนกี่หลังไปพาไปสูตหลังบ้านแล้วก็กลับออกมาพ่อมาถึงบ้านแกเนี่ยบ้านสุดสุดสุดท้ายเยอะให้ได้อได้แล้วเขาได้หรือเปล่าได้เนี่ยคตรในทันได้บอใ่ได้ว่างบ้างบาทเลยหรือเ่ขอดูบาทเขามาปวดบาง ว้ายปอะไรเนี้ยสินถ้าเราลองกล้ากันนอดีว้าไปไเงี้ยเดี๋ยวจเขาสินโอ้ยเดินยิ้มวนลอดขานั้ข่าสินลอดทุกเดืวนตอนบอกเขาเงือนถวน่ะปุวบอั๊เล็ๆเดี้ยนี้เขาก็ขี่จักรยวตรงเด้๋ยเ่นาหาหนามาเอานี่มาสิบอกปุ๊บปั๊บ่ปเถ้าบังคับเลยลวเพื่อ ออกพ็พริกมาตามําแล้วก Earlier, าา็เอาแปรกมะตัมาม่ตนองกันอะเอเาเอาแล้วเบ่มบ่มบุ่มบ่มบ่มาได้เยกันแล้วกันแล้วเขาเขาเงินเขาเขาอบตักปิดไปเอาอันทักเอาปลาร้าาอยู่บ้านเขามาสัางไม้น่ะอืมเนี่ยท่านเนี่เป็นบ้านเพื่อนอย่างเขากขาให้กระตับขึ้นเราเยียบเห็นดู่เขาทำเขาเอาเอาปลารามาตําแล้วนี่เอานี่เรียกน้เน่มาดบ่บ่บุ่มบ่อยกันบุกปุบปุบปุบปบันล้าปุ๊บเอาปุ๊บแล้วมาใส่บาทเขา ก็แล e ้วนาเนื้อใจ่มก็ยิ่งเป็นมารยาทตอนท่านสิวังไหนออกไมาใจคนเลยนี่มันบลืมมาเรื่องทีที่มาเปิดดูบ่ายนี่นะเท่ากับเดยบุญลายถึงถึงเล่าบริชันให้กับทางเพราะเจตนาอันสำคัญู่มากนะเาก็ถึงใจเล่านี่นะบริชันไม่ฉันไม่สาคัญยิ่งกว่าความถึงใจที่จะมิเจตนาอยากให้พระเจ้าปฐ์ได้สั่งนี่นะพระเจ้าปฐมได้ชัน แต่ก็บรุเรื่องว่าไงมาไปถึงถ่ำอะรแล้วออกเขาเปิดเมื่อไหรก็เขาเขียนอยู่แล้วเว้ยเปิเองิตละเขาติดต่ำไว้ดีเรื่องต่ำดีอนนี้เทาทีทําสุกเองก็ไรนี่ยเขาไม่ได้มีนี่นะอันโตท่าอันโตุประกาศมาประกาศวางไงสมาประกาศใหุ้กเองท้ามังเอประกาประกาศกระุก อันตัาอันตประกาศมาประกาศให้ซุกเองอันตัวุฒกเก็บไปแพหนอันตประกาศให้ซุกภนายสัมาประกาศให้ทาให้ซุกเองนะตอนน้นสามขอนี่อย no ู่บ like ังคับยินเด็กตอนท่าท่านถึงถ ใ, ให้เก็บมีขับปัญญาผู้ดีให้เก็บสิ่งของขับปัญญาพุทธี้นวัพระบุขวัเอาสิ่งของมาเก็บของกิ่นมาเก็บไว้ในห้องอันตประกาศ ก็บอันไวภายในอันตัวบุษตะตัวประกา ศ, กาศกไไมไไสมาร์ประกาศอันชุกที่ภายในหุ้งต่มทีภายในในสมาร์ประกาศเหตุเองทั้งสามยางนห่างอันมาห้างปิเพรนในใด ห, ห, ห้าวปเิเพรชุกเองกับผีดอกเดียวเอาพรสนใจแล้ว <c oughs> นี่คบขันกูรือเนื้อะนาม้นางเต่ายางนี้ํามู ในน้ำน้าอุ่นก็เป็นน้าอุ่นมั้กลางไปขุดให้ย่อมเพราะขุดนั่นให้เป็นร่องเพราะงตักใส่ในกลางหวยมันมีลงไปมันเป็นน้าน้ำไหลมากกลางหอยทั้มาหลังห้มยบาีน้าแบบขุดได้มันเป็นร่องเป็น่งแหงเป็นแทงมันบว่อหน้าเบ่อไหลดหน้านะเลยทีมันน้าอุ่นนะภูเขาบุด้วยเนืองการควารชัน ฉันเข่าเปล่าฉันได้มากอะไรสองสาข้ามเนมันก็อินมทันแล้วไม่คิดว่ฉันได้มากอะไรนั่นหรือเดินอยู่กลมตัวปิวลไปนั่งภนานาเป็นหัวต่อไม่มีงอกง่วงมันก็บง่งเห็นได้ชัดๆว่าเพราะอาหารเออมันทําให้งอกให้งว่วงนี่ถ้าเข่าเปล่ามันก็ไม่งวงแล้วประการหนึ่งเข้าเปล่ามัไม่ฉันได้มากถ้ามีกลับดีๆมันก็ฉันได้มากเลยฉันได้มากนอนว่ากขี้เกียจมากที่อองอกง่วงนั่งซาปโปก็งานไปหลืงก็เคยไปอยู่แล้วรู้อยู่ อรื่งั้นไม่เนี่ยานอาหารอะไรนี่แล้วมันมันบังคับภาวนาเราไม่ชอบแต่ทำท่านเป็นอย่างนั้นเราเราชอบทำเราเขาเราก็ต้องดําเนินตามทำอืมอาหารที่ไหนมันก็มีนี่นะเราเข้ามาทํามอย่างนี้เนี่ยเรามาหาธรรมเมื่อหาธรรมก็ดําเนินตามธรรมเลยเนี่ยมันบงังคับให้เป็นเพราะั้นถึงอดบ้างอิ่มบ้างดูไปขอให้ใจได้สะดวกสบายบางทีก็ ก็พูดมันชุดมันสุ่งมันเยอะว่าบางทีมันเต็มเหมือนกันนะอยู่ในบางทั้งที่ราคาตัณหามันก็มีนะแต่เวลาไปอยู่ในแดนทรรมารอย่างนั้นมันเหมือนกับเป็นพระรหันทรน้อยขึ้นมาไม่มีอะไรเลยในหัวใจปรากฏว่าอืมมันเหมือนเป็นพรารหันทน้อยขึ้นมาองค์หนึ่งในเขาในป่าจิตมันสว่างสวัยมันเห็นก็ชาดิ้ง มันเป็นเรื่องอัศจรรย์หนึ่งในหัวใจของมองไปนี่มันสว่างจ้ามันแตก่อนมันมืดมันเป็นฐ่านไฟดำๆก็เราก็เห็นอยู่ฐ่านไฟแดงๆด้วยไฟมันก็เห็นหนึ่งอันนั้นมันไม่เปลนมันสว่างจ้าอยู่ในหัวอกคนอืความรู่มียู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถึงยันกับพวกปริญญาทั้งหลายปริญญาตเรียนต้องขึ้นสมองระบอกอถ้าเป็นภาคความจําต้องขึ้นสมองสมองทํางาน ความจําจนสมองทื่อเราก็เคยเรียนมีจะบังคับจะให้เรียนมีจะบังคับจะให้เรียนให้จําให้จําจนกระทั่งสมองทื่อไม่ทํางานเลยยุติเฉยคือสมองไม่ทํางานให้นี่มันทื่อหมดทนี้เวลามาภาคปฏิบัตินี่มันไม่ได้ขึ้นสมองนะมันอยู่ตรงกลางเห็นชัดขนาดนี้จะวางไงก็มันเห็นนี่นี่อืภาพความจํามันอยู่สมองภาพความจริงมันมันเข้าอยู่ในหัวใจใตรงกลางพอจิตสงบก็สงบตรงนี้ สงบอยู่ตรงนี้นั่นเองเวลาสว่างสไวก็สว่างสไวตรงนี้มันหนักมันเบาขนาดไหนในเรื่องของอารมณ์ของจิตที่มันเกี่ยวข้องกับจิตมันก็เป็นอยู่ตรงกลางนี้มันไม่ได้เป็นอยู่บนสมองนี่นะเออมันก็เห็นได้ชัดแล้ถ้าลอดไปเลยจักระทั่งมันจะสว่างขนาดไหนละเอียดขนาดไหนมันก็เป็นอยู่ตรงกลางตรงกลางตรงกลางอยู่นั้นมันไม่เคยขึ้นมันเห็นไม่ชัดทีเดียวนี่ท่านกล่านยในบาหลีเป็นพุทธพจน์นะท่านกล่าวเองจิตแค่นั้นมันอยู่ มันมันอยู years, ่ตรงหมอกหัวใจอย่างนั้นแปลได้เท่านั้นคีอแปลได้แต่จําบารีไม่ได้นะมันอยู่ตรงกลางแล้วอยู่ในอะไรหัวใจเป็นที่อะในของจิตหาได้ยังเนี่ยหมอกหัวใจมันอยู่ตรงกลางเวลาจิตมันสงบเริ่มจะสงบเข้าไปตั้งแต่สงบเข้าไปมันก็รู้อยู่ภายในภายในมันไม่เน้มาดูกของบนนะมันจะอยู่ข้างในตรงกลางตรงกลาง จนมันสร้างถึงความสว่างสวยไม่ว่าขั้นของสมาธิที่สงบตัวมันก็อยู่ตรงนี้ขั้นของปัญญาที่มันเบิกอะไรอะไรต่ออะไรออกมันก็สว่างสวยอยู่ภายในนี้ละเอียดเข้าไปขนาดไหนก็อยู่กลางกลางกลางๆๆตลอดเลยไม่เคยปรากฏว่าอยู่บนสมองนอกจากเดือนเห็นได้ชัดเดืนอนสมองทํางานจริงๆแต่ถ้าภาวนานไม่มีขึ้นสมองเลยอยู่กลงกลางเรียกับานั่นคืเห็น ก็อีกเป็นสักขีพยานอีกตอนที่ว่าจะตายน่ะตอนที่ถ่ายยี่ห้าหนอาเกียนสองหนอนนั่ น, น, นมันก็อยู่ตรงนี้นูมันอาเกียนนี่มันพุ่งอย่างนี้ไปติดฝานี่นะความแรงของมันอาเกียนนี่เศษอาหารนี่พุ่งอย่างนี้ไปติดฝานนันก็อ่อนลงทันทีเลยนะอ่อนลงมันจะไปอ่ะเห็นได้ชัดทีเดียอ่อนลงอ่อนล ง, ล, ง ล, งลงอย่างรวดเร็วแล้วความ ความรับิดชอบของส่วนร่างกายสต่างๆที่อยู่ในตัวของเรานี้ยนะข้างล่างก็ขึ้นมาข้างบนก็ลงไปลงไปตรงกลางนียนะความรับผิดชอบของจิตที่ท่านออกไปตามร่างกายส่ต่างๆหดตัวเข้ามาอย่างรวดเร็เวข้างล่างก็มาเรานั่งอยู่เคียงเท้านี่นะโเคียงอะไรนะเคียงส้วมเี่ต่มนแปลกมันไม่ล่มนะอืก็มัมนรูดตัวอยู่นี่มันไม่ได้เผลอ แล้วมันหดเข้ามามันหดเข้ามาตรงกลางนี้ข้างบนอิสระแล้วนี่แบบลงมานี่ข้างล่างนั้นก็ขึ้นมานี่มาอยู่ตรงกลางจากนั้นมันก็ต่อยเลยหมดร่างกายก็เป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนตาไม่ใช่มันไม่ใช่ตาบอดนะมันเลยบอดมันคือฟังแต่ว่าธรรมะต่างฟืน ไ, ได้แล้วตาจริงไม่มีความหมายตาก็เป็นฟืนไปหมดหูเป็นฟืนไปหมดนั่นคือไม่มีคําคําว่าบอด มันเลยบอดเพราบอดแเราเราบอดเช่นเราหลักตานี่เยเรายัางเห็นดำดำหูหูเราแล้วอูดหูเรานี่เรายังได้ยินอื้อของมันเสียงอื้อ <c oughs> อันนี้มันเป็นท่อนไม้ท่อนส่วนไปเลย <c oughs> ประสาทต่างๆหมดน่นฟังดิแล้วก็เป็นอันนี้เป็นท่อนไม้ไปหมดเวทนาของกายเวทนาที่มันเป็นอย่างสาหัสั้งมันนั่นนะ <c oughs> มันก็ดับวูบหมดเลยไม่มีอะไรเหลือร่างกายดับทุกขเวทนาในร่างกายที่ที่มัน มันอ่อนลงมาตอนมันจะตายน่ะม in ันที <that> mm ่ร่างกายเวทนาที่มันเป็นอย่างสาหัสต่างหานั่นแหะมันอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงคือเวทนามันเต็มที่แล้วมันอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงคือมันจะไปเพราะอ่อนตัวลงมันก็เข้าไปจุดกลางแล้วประดับเลยเวทนาทุกเวทนาที่เป็นอย่างสาหัสดับวูบจนพร้อมกันกับกายหมดความหมายนะพอกายหมดความหมายเวทนาก็ทุกเวทนาก็หมดความหมายหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นทั้งสิ้นอันเหลือแต่ความรู้อันเดียวเท่านั้น ความรู้นั่นเราก็พูดไม่ถูกนะคือตอนที่มันผ่องใสเราก็ารู้มันผ่องใสแต่ก่อนรู้เป็นทุรยยะแต่ตอนนั้นมันไม่มีคําว่าผ่องใสมีเศ้าหมองมันก็ไม่มีในตอนที่ว่ามันจะตายเนี่ยกระเรื่องมาจนทั้งทุกวันนี้แหละจะว่าอะไรไปตล่ะทีนี้พอพอมันมีศักแต่ว่ารู้เท่านั้นมันแต่มันแปลกอยู่นะสังขารมันยังใช่ได้นะความปุ่งของกิต ยังใช่ได้อยูทั้งๆ ท, ที่ตามหูจมูกดิ้นกายทุกส่วนมันเป็นต้นไม้ต้นปืนหมดแล้วหมดความหมายแล้วแต่ทําไมทั้งขานนี่อยู่ในวงขันถ้ามันปุงได้นะมันเห็นในชาตินี่จะว่างไหะถ้าว่าขัดแย้งกันตรงไหนก็ยอมรับว่ามันขัดแย้งเพราะมันปุงได้อยู่นี่ร่างกายทุกส่วนมันหมดความหมายไปแล้วแต่ความปรุงอันนี้มันหรือมันเกี่ยวกับปิติอย่างว่านะเพราะ ปรุงออกมามันเป็นออกมาจากจิบชั้นยากออกมาจากจิบก็ถูกมันปุุงมันวา่าเดีจะไปเดีนี้เธอเลยนะตอนนั้นตอนมันมั น, ม, นมันหดเข้ามาแล้วเรียบร้อยหมดทุกสิ่งทุกอย่างว่าเหมือนมันจะเเปอ ร, ปร์เซ็นต์เดียวเรียกว่าเก้าเปอร์เซนเก้าเข้ามาถึงเก้าเปเซ็นตพอร้อยเปอร์เ็ตก็ดิบพับออกเลยประโยคหลังประโยคน์สุดท้ายก็ดิบเคลื่อนออกแนี้แต่นี้ยังไม่เคลื่อนแต่มันปุุงได้ ทั้งจะมีแต่ความรู้ที่ศักดิ์ตวะรู่ร่างกายก็หมดความหมายเวทนาก็หมดความหมายมีอะไรเหลือแล้ว เ, เหลือแต่ศักดิ์ตวรรุ่นแล้วมีอันหนึ่งตรงขึ้นมาว่าจะไปหรือจะเฉลียอ เ, เ, เอาไปก็ไปวางกันน่ะแตกเลยนะเอาไปก็ไปกําหนดปา้าลงไปอีกเหมือนกับจะเสริมมันไปนะแต่ช่วยไม่ไปเลยเอาจะไปก็ไปเมือ่อตั้งท่าไปตั้งหน้าไปง่ายๆนะแต่แล้วมันกลับไปไปสนับสนุนกันเพราะจอดีเข้าไปตั้งท่าจะไป อยู่กับทะลุผู้รู้เท่านั้นไม่ได้อยู่กับอะไรเท่านั้นแหละนะแล้วจิตทําไมแล้วความรับผิดชอบของจิตนี่ซ่านออกไปอีกนะแทนที่มันจะไปกลับไม่ไปสซ่านออกไปท่านี้ก็ขึ้นมาทั้ง น, นัลงไปข้างล่างลงไปทั่วสารพัดออกทั่วสารพัดร่างกายอย่างรวดเร็วเลยเหนือตายเหนือเหนือตายก็อยู่ที่วางนะเนี่ยมันก็คิดได้นี่นะทั้งแปลกนะ่ะสั้งขานนะทั้งตูมนะทคนี้พอพอ ความรู้นี่มันซ่านออกไปผู้สารพานั่งกายแล้วตาก็เริ่มนะเริ่มเริ่มรู้ว่มันฟ้าฝ่านงะหูก็เริ่มเริ่มรู้เริ่มได้ยินเสียงนั่นะนะ่ะนี่มันออกไปพอความรับผิดชอบมันออกไปสู่อวัยวะส่วนต่างๆประสาทสวนต่างๆมันก็รับทราบมาันแต่ก่อนเงียบหมดเลยมีแต่รู้อเดียวนั่นแหะเก้าจากเก้าเปเซ็นต์ถ้าสมมุติว่าจิตมันถ้าเป็นอาการอีกสมมุติหนึ่งคือสมสมุติสุดทา้ายสวะแสดงอาการสุดท้าย ที่ทีเปอร์เซนที่ร้อยก่็เลยวแยบความเคลื่อนของจิตที่ออกจากล่างมันไปเลยร้อยเปอร์เซนต์ก็จะวัดตายแล้นี่ก็ทําให้คิดเหมือนกันว่าคนเราถ้ามีสติดีดีมีสติอยู่แล้วเราจะทราบเวลาตายเนี่ยคนเวลาจะตายจริงเวทนาจะดับหมดนะเวทนาจะไม่มีเหลือเลยทุกเวทนานะ่ะจะดับหมด จะตา ย, ยาจริงในขณะที่จะตายก่อนจะ ต, ตายนั่นจะเห็นชัดเจนว่าเวทนานี้ดับหมดแล้วจิตถึงจะเคลื่อนตัวออกจิตตรงนี้เคลื่อนออกละอันนี้มันไม่รู้อย่างนั้นที่คนเราบางทีทิ้งเนื้อทิงตัวแล้วไม่รู้ว่าทุก เ, เวทนาเป็นยังไงมันหมดสติสตังไปเลยนั้นก็มีเยอะทามีสติแล้วก็อย่างว่าเนี่ยต้องรู้เวลาจะตา ย, ยาจริงนี่ทุกเวทนาต้องดับหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วจิตถึงจะเคลื่อนออก นั่นหมายถึงการถ่ายอถ่ายกีฬาถ่ายยนะืมแต่โลกหัวใจผมนี่ไม่ถึงนั่นนะเก้าที่แปดเพียงเก้าที่แปดเท่านั้นไม่ถึงเก้าที่เก้าเปอร์เซ็นต์คว่าก้าที่แปดเป็นไงเราจะพูดได้แค่เก้าทีแปดเอร์เซ็นกับร้อยเปอร์เซ็นตคือคือต่ำี้มากกว่านั้นเราพูดไม่ถูกนะอันนี้มันมีมันมีจุดที่พูดได้เป็นอย่างเก้าที่แปดเปอร์เซ็นนี่มันรวมตัวเข้าไปโลกหัวใจนี่นะเวลามันอ่อนตัวเต็มที่แล้วมันรวมตัวเข้าไปมันไป มันเปเหน่วยละเอียดที่อยู่ที่ตรงหัวใจนอกนั้นมันปล่อยมาหมดนะปล่อยหมดนี่นะแต่ตรงนี้มันไม่ปล่อยนี่ที่เอ า, เอาวัยวะส่วนละเอียดที่เป็นทุกขเวทานาส่วนละเอียดที่มันเป็นอยู่ในหัวใจนี้เป็นจุดตรงกลางคุ้นง่ายมันไม่ปล่อยนี่ที่เรียกว่าเก้าสิบแปดถ้าหากว่ามันจะไปจริงมันต้องปล่อยนี่อีกทีนึงแล้วเป็นเก้าสิบเก้ายังที่ว่านั่นจากนั้นก็ดีมีนอกหัวใจเป็นแค่เก้าสิบแปดคือมันปล่อยเข้าไปหมด แล้วไปเหลืออยู่นี่อย่างละเอียดนะจุดที่มันอ่อนเพียเต็มที่ลนะมันมาอยู่ตรงนี้มันมีอยู่นี่เวทนากายเวทนาส่วนละเอียดมันมีตรงนี้ส่วนเหล่านั้นมันปล่อยมาหมดแต่ก่อนมันมันเหนื่อยมาหมดเหล่านี้มันเหนื่อยเหนื่อยที่นี่มันปล่อยความเหนื่อยแล้วมาหมดมันมาเหนื่อยตรงนี้จุดเดียวนี่หมดตัวของมันเรียกว่าเก้าสิบแปดเร์เซ็นต์เอาแต่นันแล้วนับไปไหนผมผมผมไม่สามารถที่จะพูดได้ว่ากี่เปอร์เส็นต อืนเห็นไม่ชัดเฉพาะเก้าสิบเก้ากับเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นตนั้นที่จะเคลื่อน ด, ด่วนากันตั้งใจภาวนานนะยานอนกันนะอนอนใจกับนอนจงนะอันเดียวกันนะถ้าเราได้เบาใจกับหมู่เพื่อนที่ตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาประกอบความภาคเสียนยาให้ได้หนักใจกับหมู่เพื่อน เป็นด้วนแี้แต่เป็นผู้มาเพื่อมุ่งอาจมุ่งทํำทั้งนั้นส่วนยำหยาบอย่าให้มากระเทือนกันนะส่วนยำหยาบนี่เยกาบหยาบอย่าให้มันออกมาเป็นผ่านในวงพระวงเนนวงปฏิบัติเรามันข า, นนา ย, นะยขีห้หนาสิเป็นนะขายจริงๆความกระทบกระเทือนความทะเลาะบอกแวงความไม่ลงรอยกันเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสตัวหยาบหยาอย่าให้มันออกมาในวงธรรมะของเรา เป็นอันขาดจะเป็นการขายเนื้อขายตัวอย่างมากอย่างเล้วแหลกเลยดูไม่ได้จะเป็นเหมือนกับจารึกเข้าสู่หัวใจจนกระทั่งวันตายก็ลืมไม่ได้อย่างนี้ถ้าเป็นกรณีอย่างนี้ผมพูดได้เป็นระยะระยะเอเกี่ยวกับแขลกับคนสุขภาพไม่สบายมีลำพังจะของคนเดียวอยู่ทั้งวันผมก็อยู่ได้ัองผม <c oughs> ผมไม่ยุ่งกับอะไร มันเป็นประตามนิสัยอะไก็ไม่รู้แหละถ้าอยู่คนเดียวอารมณ์อันเดียวนี่มันอยู่ได้สบายไม่ยุ่งกับอะไรออกทางเข้าทางยังกลมเดินยังกรมบ้างอะไรบ้างตามภาษาของนั่นแหละนั้นสบายอาไม่จําเป็นจริงกับผมไม่อยากเกี่ยวกับแขกกับคนอะไรนะครับแต่มันจําเป็น ว, ว่างไงเขาก็มาโดยน้ําใจหนึ่งแล้วก็เรียนเห็นน้ําใจของเขาหัวใจขเขานั่นแหละเรื่องมันเช่นเดียวกับเราเคยเห็นหัวใจเราที่มุ่งต่อครูบาอาจารย์ทั้งหลายน เอาหัวใจเจ้าของออกกลางแนละ้วมันก็ปฏิเสธกันไม่ได้ปัดกันไม่ได้คนเรามันก็ต้องยอมรับกันยากลําบากก็ส้งทูถ่ายกันไปอย่างที่เป็นมานี่แหละเว่าไงเรียว่าประชาชนญากเย็นเลยแม้แต่พระเนรทั้งหลายนี้ทําไมาใดจะไม่ทราบว่ามากขนาดไหนนี่ถ้าธรรมดาจะรับกันไม่ทําไมอ่ตั้งหนานันแต่ก็รับโดยเหตุนี้เองนะขอให้ททั้งหลายได้เห็นใจผมได้รับไว้เพื่อก็ดใจที่บริสุทธิ์จริงๆด้วยความเมตตาต่อหมู่ต่ อ, อเพื่อนพระผู้ที่แนะนำต่างสอนทุกวันนี้ก็ไม่เคยคุยนะมันหา ย, ยากมา สอนภาคปฏิบัติทางด้านจิตใจอสอนจุลสี่จุลห้างมือปะปางนี่เราก็เคยได้ยินมาแล้วเคยเห็นมาแล้วเราไม่อยากฟังถึงเราจะคิดว่าคิดโง่ขนาดไหนเราก็ไม่อยากฟังคําประเภทนั้นเราอยากฟังอย่างถึงใจถึงใจถึงใจอย่างพ่อแม่กูจันมั่นแต่เธอจะฟังนั่นถึงใจจริงจนกระทั้งบันตายผมไม่มีอย่างอื่นนี่ต้คงาำดุดเดือมจนกระทั่งวาระสุดท้าง ท, ท่านที่ผ่านไปเพราะมันถึงใจ จากนั้นก็เอ่อเอันนี้เลิกกันนะนี่น